เป็นความโลภคือการแสดงออกจากตัวของกิเลสเป็นอาการออกมาเป็นขนแหนงออกมาถ้าอยู่เฉยๆสิ่งเหล่านี้ไม่แสดงออกมาก็เป็นกิเลสอยู่ตามหลักธรรมชาติของมันซึ่งมีอยู่ภายในยจิตใจนั้นเวลาอาการ กิเลสแสดงตัวออกมาก็เรียกว่ากิเลสทํางานความโลภทํางานความโกรธทํางานความหลงทํางานความรักความชังทํางานหรือความยินดียินร้ายทํางานเหล่านี้ร้วนตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทํางานเพื่อผลลายได้ของตน แล้วขนผลลายได้ทั้งมวลเข้ามาสู่ใจกลายเป็นฟืนเป็นไฟเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาที่ใจของสัตว์โลกโ ท, ทั่วๆไปใจจึงไม่มีว่างจากคำว่ากิเลสแม้ดวงเดียวจะเป็นใจสัตว์ใจบุคคลกำเนิดเกิดในสถานที่สูงต่ำ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 คือธรรมยุ่งโดยหลักธรรมชาติคือกิเลสอยู่ในใจดวงเดียวกันเพราะฉะนั้นใจจริงไม่มีคำว่าว่างจากกิเลสแม่ดวงเดียวเว้นใจพระหันเท่านั้นแต่ก่อนท่านก็ใจของท่านก็บันตุจริง ตั้งหลายที่เป็นค่าศึกเหล่านี้เต็มอยู่เช่นเดียวกับเราเราท่านท่านแต่เพราะการชำระสะสางด้วยวิชาธรรมที่พระพุทธ เ, ทเจ้าประทานไว้โดยถูกต้องแม่นยำนี้ไม่ลดด่อนอ่อนกำลัง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 คลิกกันไปคนละด้านปัญญาใช้เพื่อการถอดถอนกิเลสประเภทต่างๆออกจา ก, กจิตใจให้มากยิ่งกว่าที่จะนำไปใช้เพื่อเป็นเครื่องมือของกิเลสไปทำงานเพื่อทำลายตัวเราเองนี่ทำกับโลกหรือกิเลกกับธรรมการกระทํา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 ทาคนให้รับความทุกข์ความลาบากแต่ทางด้านธรรมะนี้เป็นศัดธัาวิริยะสติสมาธิปัญญาซึ่งเป็นธรรมล้นล้วนในการหากฐานหรือถอดถอนชาระกิเลสซึ่งเป็นค่าสิทธิต่อธรรมและเป็นค่าจุดต่อไปของเรากอโดยลําดับจนกระทั่งหมดไปโดยสิ้นเชิงตามหลักศาสนธรรมที่ทรงประกาศสอนไว้โดยถูกต้องแม่นยาแล้ว อุบายวิธีการสั่งสอนของกิเลสเชื่อมสอนมนุษย์เชื่อมสอนสัตว์มีความแยบยลมีความละเอียดแหลมขมมากทีเดียวถ้าไม่มีธรรมเป็นคู่แขมสัตว์โลกจะต้องถูกกรอมจากวิชาของกิเลสโดยไม่มีวันฟื้นตัวได้เลยนับแต่วันล่มจมไปโดยลำดับลำดาจิตใจนีรุ่มร้อนหาการเวลาสถานที่อิริยาบถไม่ได้ ถ้าลงกิเลสได้ครองหัวใจและทำงานอยู่บนหัวใจโดยไม่มีทำเป็นเครื่องคดัคดค้านต่านทานแล้วจะไม่มีสถานที่ใดร้อนยิ่งกว่าใจของสัตว์โลกที่กิเลสทำงานขอให้พากันจำไว้อย่างถึงใจกิเลสเรื่องอำนาจกับทำเรื่องอำนาจนั้นต่างกันคนละโลกถ้าถ้าเป็นโลกก็ต่างคนละโลก หาเป็นทวีปก็ต่างกันคนละทวีปผิดกันถึงขนาดนั้นเท่าที่สัตว์โลกได้ยอมตนเป็นเครื่องมือของกิเลสและเป็นที่ขับถ่ายของมันเป็นที่อยู่ที่อาศัยทุกสิ่งทุกอย่างของกิเลสนั้นก็เพราะเราไม่มีความรู้ความฉลาด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 ได้อาจาได้ทำขึ้นมาสั่งสอนโลกพร้อมทั้งพระองค์ก็หลุดพ้นจากแหล่งแห่งกองทุกที่ดกดขี่บังคับทั้งหลายได้ก็เพราะพระบรารมีที่ทรงสั่งสมมาไม่หยุดไม่ถอยและไม่พ้นจากภาระห้าที่กล่าวมาในเบื้องต้นนั้นว่าศรัทธาวิรยิยสติสมาธิปัญญานี้เลย เมื่อได้ทรงพยายามบำเพ็ญเต็มสติกำลังความสามารถไม่หยุดไม่ถอยเพราะมีแต่การบำรุงส่ ง, สสงเสริมโดยไทยเดียวทำซึ่งเป็นสติมงคลซึ่งเป็นของดีและเป็นของดีเลิศ ก, ก็ย่อมปรากฏขึ้นในพระไทยโดยรนดับจำดาจนถึงได้ผ่านพ้นขึ้นมาเป็นความตรัสรู้กลายเป็นศาสดาเอกของโลกให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชา และได้ยินได้ฟังคำว่าธรรมธรรมมาจนกระทั่งบัดนี้อังเป็นของยากของลำบากมากสำหรับพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่จะมาอุบัติตรัสขึ้นในโลกและลื้อผลสัตว์โลกให้พ้นโอคะอันดานทั้งหลายเหล่านี้เราทั้งหลายเป็นเพียงผู้ได้ยินได้ฟังโดยไม่ต้องได้ค้นคว้าหาวิชา ประเภทนี้เพียงบำเพ็ญตามพระาว่าดคำตังสอนของพระพุทธเจา้ายังถือว่าเป็นความลำบากลำบนให้กิเลสเหยียบย่ำทําลายหรือถอนศรัทธาวิรยสติสมาธิปัญญาเป็นเครื่องมือของมันเสียจนสิ้นแล้วเราจะหวังประโยชน์อะไรจากความเป็นอยู่แห่งมนุษย์และเราหวังความสุขความเป็นเจากอะไร หวางความสุขความเจริญจากกิเลสก็มีแต่ฟืนแต่ไฟที่เผาหลมสัตว์ทั้งหลายอยู่เช่นเดียวกับนักโทษหวังความเจริญในเรือนจาจะได้ความสุขความเจริญที่ไหนในเรือนจาสำหรับนักโทษทั้งหลายที่ถูกคุมขังไว้นั้นเราทั้งหลายที่ถูกคุมขังเป็นนักโทษของกิเลสตังทับบัญชาอยู่ตลอดเวลาจะหวังความสุขความเจริญที่ตรงไหน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 เป็นของยากอะไรพาให้ยากทำท่านไม่ได้พาให้ยากมรรคผลนิพพานไม่ได้พาให้ยากทมทั้งหลายไม่ได้พาให้ยากคำว่ายากคำว่าลาบากล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดหากเราไม่ฝ่าฝืนความยากความลาบากไม่อดไม่ทนแล้วก็ชื่อว่าเราแพ้กิเลสบัญญังคคำหรือเราไม่ต่อสู้กิเลส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 มีอวิชชาเป็นพื้นฐานแห่งยาพิษทั้งหลายกระจายขแขนงออกมาเป็นความโลภเป็นความโกรธเป็นความหลงเป็นราคะตัณหาัวเปียกชังต่างๆเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นฟืนเป็นไฟสำหรับเผารุ่นหัวใจทั้งนั้นไม่ใช่ของดีทำไมจึงต้องสนิทสนมกับสิ่งเหล่านี้โดยไม่มีวันจืดจางเลย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 สัทธาวิยาสติสมาธินี้เป็นสำคัญที่จะเป็นทางให้หลุดพ้นได้ <c oughs> การแนะนำสั่งสอนมูเพื่อนได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานนับว่าตั้งสามสิบกว่าปีมาแล้วควรจะถึงใจเพราะการสั่งสอนทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สั่งสอนด้วยความด้นเตาเกาหมดเกาหมัดสอนจากเหตุจาก การที่ได้ประสบพบเห็นมาทั้งวิธีต่อสู้วิธีรบราค่าฟันกับวิเลศตลอดถึงผลที่ได้มากน้อยอย่างไรก็นํามาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังทั้งสิ้นไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจิตใจเลยแม้แต่น้อยหากว่าเป็นสิ่งที่จะหมดเนื้อหมดตัวไปได้แล้วเราหมดเนื้อหมดตัวไปนานแล้วไม่มีอะไรเหลือติดตัวเลยทําไมหมู่เพื่อนจึงไม่ถึงใจในคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นความจริงที่ได้นามากล่าวมาสั่งสอนอยู่ทุกเว ล, เวลาทำมาจึงให้กิเลสมันฉุดมันลากเอาต่อหน้าต่อ ต, อตาให้เห็นอยู่เป็นประจำจนเกิดความสรุดสังเวชบางครั้งเกิดความท้อถอยเกิดความอ่อนใจเป็นลาหลับตาดาเกิดความสรุดสังเวชในกิิยาอาการที่แสดงขึ้นของหมู่คณะ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 ความกีเรียดนั้นได้เคยเห็นเคยรู้เคยเป็นอยู่แล้วภ า, ายในจิตใจหากจะวิเศษวิโสต่างคนก็ได้วิเศษวิโสไปแล้วไม่จำต้องมาได้รับความทุกข์ความทรามานอยู่ดังที่เป็นอยู่นี่เลยนี่ก็เพราะเห็นว่าเป็นสิ่งที่ไม่ดีนั่นแหละความไม่ดีก็ทําเป็นพูดชี้พูดแน่ตามหลักความจริงแท้ๆอะไรจะแสดงขึ้นมามันไม่ดีทั้งนั้น แม้จะอยู่ภายในจิตใจไม่แสดงมันก็ไม่ดีอยู่ภายในจิตใจนั่นแหละเวลาแสดงออกมาก็เป็นความไม่ดีของการแสดงออกแล้วนำผลเข้าไปสู่ตัวเองเนี้ยเรียราสศาสตร์กระจายไปสู่วงคณะให้เกิดความเสียหายเดือดร้อนประดามตามกันพิเรศไปที่ไหนเป็นของดีเมื่อไหร่มันเป็นความกระทบกระเทือนทั้งนั้นอยู่ในใจก็กระทบกระเทือน จ, จิตใจ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 ด้วนแล้วตั้งแต่ที่จะสังหารมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้คิดหายไปได้ด้วยยาพิษนั่นด้วยกันเพืนชัวกิเลสก็เป็นยาพิษสำหรับจิตใจและเป็นมานานแล้วควรจะเข็ดหลาบควรจะนำธรรมเข้าไปแก้ไขตอ่อถอนและเชื่อทำอย่างถึงใจศรัทธาเชื่อ มักผลนิพานเชื่อในบุญในกรรมเชื่อในโอวาทคำตั้งสอนของพระพุทธเจ้าว่าเป็นศ า, ศาสดาองค์เอกที่แท้จริงรลยะเพียนีนักปฏิบัติไม่เคียงใครจะเพียนสิ่งที่ผูกมัดรัดลึงอยู่ภายในจิตใจของเราจนหาเวลาเวลาถ้าจะพูดพิงเรื่องลมหายใจแล้วมันจะแทบหายใจไม่ได้เพราะถูกรัดจากพิเลแต่นี่ช่องหายใจมันเปิดไว้เราจึงได้หายใจ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 เป็นยังไงหัวใจเราปฏิบัติมาปเป็นเวลานานมีกิเลสตัวไหนถหลอ ก, อกเปลาเปือกนอกจากทรรมกระเจิงไปเท่านั้นมีมากมีน้อยก็แต่กระจัดกระจายไปหมดเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันดันมันบีบมันบังคับให้แสดงออกในกิเยาอาการต่างๆจนดูไม่ได้นี่เหลือนะักปฏิบัติธรรมะเป็นเช่นนี้หรือเราอยากจะถามอย่างนั้น ถามตัวเองก็ถามมาพอแล้วเพราะกิเลสในหัวใจก็เคยมีกับหมู่กับเพื่อนเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีก็เคยถามถามนี่ก็ถามเพื่อจะเอาเหตุเอาผลเพื่อความแก้ไขถอดถอนกิเลสสังหารกิเลสให้ขาดสะั้นประจากษกิจใจนั่นแหละจริงต้องถามนี่การถามหมูถามเพื่อนก็ถามพเ พ, on, พราะเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนําสั่งสอนหมูเพื่อนมอาเต็มสติกําลังความสามารถเป็นอย่างไรจริงต้องเป็นเช่นนั้น ผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างไรหัลถึงให้กิเลสมันได้ออกหน้าออกตาเยียบย่ำทำลายไปเสียจนจะขาดสะบั้นไปหมดเมื่อไรจะคิดอยู่กับครูกอ า, าจารย์ก็อแน้านํำสั่งสอนเต็มทีิกำลังความสามารถผลเหล่านั้นไปไหนหมดยังมีต่างแต่กิเลสมาออกร้านตลาดนี่เหลือของดี ของพิเศษอยู่ตรงนี้เหรอแท น, นที่ที่ว่าไปไหนต้องเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์แา่ลำพังมันก็เป็นเช่นนั้นไม่มีใครตุกใครเตือนไม่มีใครดูดด า, า, าว่ากล่าวมันยิ่งจะปลใหญ่ขนาดอยู่กับครูกับอาจารย์ต่อหน้าต่อตามันยังเป็นไปได้ ทำไมอยู่โดยลาพังมันจะไม่แสดงเต็มฤิธเต็มเด็ชของเพลงกิเลสเต็มกายวาจาใจเรามันต้องเต็มอยู่ทุกเวลามั้นอัดอั้นตันใจเหมือนกับติดคุกติดตลาดอยู่ในวงทำ ร, รมมงยี่ไหนอยู่ในแวดวงของครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนมันถูกเหมือนกับถูก ก, ถกดถูกดันเอาไว้มันไม่ได้แสดงลวดรายของกิเลสอย่างเต็มสติกาลังของมัน เวลามีโอกาสมันก็ทะลักออกมาให้เห็นชัดๆเห็นหน้าทุทเล่อย่างที่เพียงก่อทำธุระอะไรเล็กน้อยอย่างที่ก่อสร้างอะไรเล็กน้อยเท่านี้ก็เห็นเรื่องยาปลนของหมู่เพื่อนมากมายทีเดียวที่คิดไว้ทุกแง่ทุกมุมว่าการก่อสร้างไม่ว่าประเภทใดเป็นค่าศึกต่อจิตตะภาวนานั้นประกาศลั่นให้เห็นชัดเจนแล้วเห็นหดือ ย, ยัง ท่านทั้งหลายได้เห็นมรื อ, อย่างนตำหับตำลาท่านก่อแสดงอว้เช่นอย่างนงธรรมขันธกะนี่นหนก็มีทานบำเพ็ญสมณธรรมยิ่ยงผู้บำเพญ็ญเริ่มพึงหัดบำเพ็ญใหม่ๆด้วยแล้วให้ระมัดระวังสถานที่ใดมีการก่อการสร้างอย่าไปอยู่สถานที่นั้นให้หลีบเล่นอยู่ในสถานที่สงัดไม่มีการงานอย่างอื่นหรือสิ่งแวดล้อมทั้งหลาย เข้ามารบกวนใจแม่ที่สุดไปอยู่ต้นไม้ที่ทรงดอกทรงผลมีนกกาทั้งหลายมากิตมากินกินนั้นก็ไม่ให้ไปอยู่ถ้าน้ำผู้คนหญิงชายขึ้นลงเสมอก็อไม่ควรไปอยู่ไปหาอยู่ในที่สงัดวิเวกนั่นท่านชี้แกงแสดงไว้ขนาดนั้นเพื่อความสะดวกสบายเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรม งานเหล่านั้นทําได้ง่ายแต่และการทําลายสมรธรรมของเราก็ทําลายได้ง่ายการที่จะผิดทำงานของธรรมบําเพ็ญงานของธรรมทางานของธรรมให้เกิดนั้นทําได้ยากเกิดได้ยากแต่กิบหายได้ง่ายนี่ท่านจึงสอนให้ระมัดระวังเพียงเท่านี้เราก็เห็นได้ชัด ช, ชัประจักษ์ตา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 ความถลําไปตามกิเลสตาด้วยการต่อสู้กิเลสดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายนั้นให้ก็ได้เห็นที่สมนามว่าเป็นสากยะบุตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นบ่อยของกิเลสเป็นธาตุของกิเลสอันนี้เคยเป็นมาอยู่แล้วมันมีเศษวิโสอะไร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 ถูกไหมให้ชิหายวหวป่วงไปได้กิเลสเป็นของร้อนอะไรจะร้อนยิ่งกว่ากิเลสไฟกองขนาดไหนก็สู้กิเลสภายในจิตใจของเราร้อนไม่ได้นี่ถ้าไม่เห็นภายในกิเลสจะเห็นภายกับอะไรนักปฏิบัติธรรมนี่เคยชีย้แจงให้ทราบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วทอดออกมาจา ก, กจิตจากใจเทศให้ฟังเพราะเจตนา ความเมตตาความสงสารอยากให้รู้ให้เห็นทำเหล่านี้กิเลสประเภทเหล่านี้ยากนักยากหาที่จะขุดคุ้ยขึ้นมาให้เห็นทั้งโทษทั้งคุณโทษของกิเลสก็เห็นอย่างถึงใจคุณค่าของธรรมก็เห็นอย่างถึงใจด้วยการประพปฏิบัติการชี้แจงจริงต้องชี้แจงทั้ ง, ท, งทั้งโทษทั้งคุณชี้แจงทั้งวิธีละวิธีบําเพ็ญอย่างถึงใจ ทุกสิ่งทุกอย่างไม่น่าจะเป็นผักเป็นน้ำเป็นหอกเป็นเหลาแหลมมาทิ้มแทงดังที่เห็นอยู่นี่เลยใครจะอยู่จะไปก็ไปยามาทำให้หนักใจเราสอนเพื่อความเบาใจให้ทำเกิดขึ้นมีในใจของพระ แล้วเป็นที่เบาใจทั้งผู้มาศึกษาอบรมทั้งผู้สแสดงและผู้ที่อยู่ร่วมกันมากน้อยทำไม่อยู่ที่ใดก็มีความสงบเย็นใจทากษิณฤทธิ์มีอยู่ที่ใดก็เป็นตืนเป็นไปหาความสงบร่ืมเย็นไม่ได้นั้นออกทุกแง่ทุกมุมแซงหน้าแซงหลังย่งเลือดผู้เลทนะยง พาทําก่อสร้างอะไรเล็กๆน้อยๆเท่านี้เกิดความสนุษสังเวยอามากคําวนี้ดังแต่อยู่กับหมู่คณะหมาก็มีคําวน้เราก็คิดแล้วคิดแล้วก่อนที่จะตัดสินใจเลยทํามานนี่ก็ดีล้วก็เป็นไปตามที่คิดแล้วเลยคาดไปอีกามากมายเลยคาดเลยคิดไปอีกให้เห็นความหยาบโลนของกิเลสที่มันแสดงออกมาจะเจตนาไม่มีเจตนาไม่สําคัญ ความอยากต้องเป็นความอยากปันยังคั้มานทำอะไรได้ระมัด ร, ระวังก็เพื่อหมู่เพื่อคณะให้เป็นผลเป็นประโยชน์ไม่ไทำซุ่มสี่จ4ดห้าโดยถือว่าเป็นหัวหน้าวัดแล้วก็ทำไปตามความชอบใจของตนนี่ไม่เคยคิดอย่างนั้นคิดแต่เรื่องอัดเรื่องทำคิดเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนเสมอ ใครมาอยู่มากน้อยกอแนะนําสั่งสอนให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยผิดถูกประการใดสอนโดยไม่มีความเกรงใจคนนั้นเกรงใจคนนี้ยิ่งกว่าธรรมความเกรงใจหาเหตุหาผลไม่ได้นั้นก็คือความหมอบรากต่อกิเลสนี่ไม่เหมาบผิดตรงไหนบอกกันตรงนั้นเลยเพราะความผิดนั้นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นข้าสิบของธรรมต้องบอกให้รู้ให้รู้วิธีหลบวิธีหลีกวิธีละ วิธีแก้ไขถอดถอนอะไรที่เรื่องอำนาจอยู่ทุกวันนี้ก็มีแต่อันเดียวนี้เท่านั้นในหัวใจของสัตว์โลกวิเศษวิโสที่ตรงไหนไปถามเลยถามทุกชาติท่านวรรณะใครได้รับได้รับความวิเศษวิโสเพราะกิเลสเราที่กล่าวมาเหล่านี้ เรื่องอำนาจอยู่ภายในปิตใจธรรมตั้งหากทำให้คนได้รับความสงบสุขร่มยนความเจริญเจริญที่ใจต่างหากยิ่งกว่าด้านวัตถุวัตถุถ้าไม่มีใจเป็นเครื่องอบรมเป็นแนวหน้าแล้วก็กลับมาเป็นฟืนเป็นไฟเผาโลกอยู่โดยดี วัตถุเจริญบ้านนั้นเจริญบ้านนี้กันเลยแต่ไม่ได้พูดถึงว่าใจจะของผู้เป็นเจ้าของของบ้านนั้นเมืองนี้เจริญนี่สิสำคัญมันทำลายตรงนี้หามันเจริญจริงๆโลกก็ต้องได้รับความสุขความสบายสงบร่มเย็นนี้อะไรจะเจริญขึ้นขนาดไหนก็ตาม ความทุกข์ร้อนก็ยิ่งทวีรุนแรงขึ้นโดยลำดับจมดามันเจริญอะไรถ้าไม่เจริญด้วยฟืนด้วยไฟเพราะความโลภก็ไม่มีเมืองพอความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมความมากใหญ่ไฟสูงซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องเสริมฟืนเสริมไฟให้เผาลุจิตใจของโลกแล้วโลกจะเอาความเจริญมาจากสิ่งเหล่านี้ได้อย่างไรก็มีแต่ความบ่นละเมอเพ้อฝันไปฝันดิบฝันสดไปหาความสุขความเจริญ ไม่เจอจนกรทั่งวันตาถ้าไม่ได้นำธรรมเข้าไปบำรุง จ, จิตใจปต้อฤติปฏิบัติตามธรรมทำเป็นผู้พาดำเนินไม่ว่ากิจหน้าที่การงานอันใดวัตถุใดถ้าทำเป็นเครื่องพาดำเนินแล้วจะมีความสงบร่มเย็นว่าโลกจเจริญก็จเจริญจริงจเจริญด้วยธรรมไม่ใช่จเจริญด้วยฟืนด้วยไฟด่างที่เป็นอยู่เวลานี้ ึงเห็นเห็นกันอยูท่ทั่วไปพูดกันเต็มปากว่าบ้านนั้นเจริญเมืองนี้เจริญมีตึกรามบ้านทองตลาดลาดเลเหลองอลามงามตามันงามแต่ตานั่นสิแต่ใจมันเป็นฟืนเป็นไฟมันเอาอะไรมาก็ส่มาเจริญหัวใจไม่ได้มองดูมีแต่ความฝ่ฝัน เอาอะไรมาจะเลยอันนี้ก็เราเป็นนักบวชจะเริ่นตั้งแต่ชื่อว่ากรรมฐานกรรมฐานเอาให้ชื่อว่ากรรมฐานก็ตื่นเงาตัวเองบางท่านที่หัวใจของกรรมฐานไม่ได้ชำระซักพอกไมไ่รู้สึกตัวเลยมั้นเอาอะไรมาจะเลยความสงบล่มเย็ยนเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีเอาอะไรมาจะเลยถ้าความสงบไม่มีภายในจิตใจแล้ว มันก็ร้อนเช่นเดียวกับคารวาสหรือยิ่งกว่าเขาเะอีกมันมีเสร็จอะไรเพียงผ้าเหลืองอยู่ตามตลาดกดอยากเมื่อไหร่จะเอารถไฟใส่ก็ได้บวทชที่เสดยิเรศไม่ได้บวช ด, ด้วยไม่ได้ฝึกหัดพกลมไม่ได้ดัดแปลงแก้ไขถอดถอนทิเดชซึ่งเป็นตัวภัยอยู่ภายในจิตใจจะเอาอะไรมาร่มเย็น การบวชมาก็เป็นช่องเป็นโอกาสดีที่สุดแล้วที่จะได้ห้ามหันกับกิเลสซึ่งว่าถือว่าเป็นตัวปิดตัวภัยให้บรรลัยไปจา ก, ก จ, จิตใจด้วยความทับเพียรเอาจริงเอาจังของแต่ละรายรายซึ่งเป็นนักบวชนักปฏิบัติ ด, ด้วยกันนี่ความเจริญอยู่ที่นี่ตัางหากมาได้อยู่กับวัตถุนั่นวัตถุนี้จนยังวัดของพระวัดก็เป็นสถานที่ที่บําเพ็ญของพระ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 เกิดมาก็เกิดกับวัตถุท้องของแม่ก็เป็นวัตถุไม่ใช่หรือตัวของเราก็เป็นวัตถุตกคทอดมาจากสถานที่ใดก็เป็นวัตถุทั้งนั้นในบ้านในเรือนตึกรามบ้านช่องหอปราสาทราชสมบัติอันมีแต่วัตถุทั้งนั้นตื่นได้อะไรชวนทํามันมีในใจนั่นสิที่มันกระเสือกกระสนกระวนกวายอยู่เวลานี้โลกของเรา เพราะไม่มีธรรมในใจหันหน้าซ่องสุมกับกิเลสวันย่งค่ำคืนยังรุ่งหลับตื่นลืมตาไม่แต่หันหน้าซุกหัวให้กิเลสเผาเอาฟันเอาแหลกแตกกระจายแล้วยังจะบ่นหาความสุขที่ไหนกันอีกหวางความสุขที่ไหนกันอีกโดยที่จิตใจซึ่งเป็นสถานที่ที่เกิดแห่งความสุขไม่สนใจที่จะบํารุงรักษาให้มีความสงบร่มเย็น เท่าที่ควรและให้สงบร่มเย็นอย่างราบคาบด้วยการบุญปฏิบัติทำแล้วเราจะหวังผลประโยชน์เอากับอะไรฟังให้จริงที่นักปฏิบัติมาฟังเล่นๆได้เหรือทำมากขององค์พระเจ้าไม่ใช่ตุ ก, กตาเครื่องเล่นของเด็กาศาสดาไม่ใช่าศาสดาตุ ก, กตาทำจึงไม่ใช่ทำตุ ก, กตาพอที่จะมาเป็นเครื่องเล่นของนักบวชนักปฏิบัติเรา ถ้าไม่ใช่นักปฏิบัติเราเป็นตุกตาเท่านั้นตุกตากับตุกตามันก็เข้ากันได้เออยู่ไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่ได้คิดอ่านไตรกรองอะไรไมันเกิดผลประโยชน์อะไรเที่ย่ที่อาศัยกับมันกัน ดูไปตามร้านต่างๆนั่นเอาพาดมาจากสวรรค์มิมานที่ไหนมากัดมากัน้นพาดอยู่ในวัดนี่เต็มไปไม่อดไม่อยากพ่งเฟอเหมิมติ้นโดนหาอะไรมันแซงไปอย่างนั้นสิเดินไปตามนั่นจนดูไม่ได้มันไม่ทันสมยัยหาแต่ของดิบของดีตามยิเลศ ชอบชอบนั่นแหละมาทำรู้ไหมว่ากิลเลสเยียบหัวใจวัตถุเหล่านั้นมันมวิเศษยิ่งกว่าธรรมเหนอจึงจ้องไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมากยิ่งกว่าธรรมพระพุทธเจ้าสัมผพพฟุ้งเฟอ้อเหอเหอเหมื อ, อพาลืมเนื้อลืมตัวกับโลกา ท, ทั้งหลายเหรอือเล่าถึงได้เป็นอย่างนั้นนักปฏิบัติ ถ้าเต็มอยู่ในวัดนี้ทําไมไม่เอาไปตัดไปทำํำอาชิเลถุดลากค อ, อไปหาอะไรของอย่างนั้นมาทํามันยิ่งโกยิ่งหรูขึ้นไปทุกวันทุกวันเหยียบย่ําทําลายวัด ว, ว, ว, ว, วาอาวาสครูบาอาจารย์เข้าไปโดยลําดับทั้งเก่าทั้งใหม่เก่าเหยียบแบบหนึ่งทําลายแบบหนึ่งใหม่เหยียบแบบหนึ่งทําลายแบบหนึ่งมันมีแต่เรื่องทําลายหาความส่งเสริมมันแทบจะไม่มองเห็นแล้วนะเวลานี้ในวัดนี้ แล้วหลังไหลเข้ามาเรื่อยๆมาหาประโยชน์อะไรแนะนำสั่งสอนทาไมไม่ฟังสั่งสอนนี่สั่งสอนเพื่อให้เลวซามลงไปหรือสั่งสอนเพื่อชำระความเลวซ้มต่างหากเพื่อของของดของดีจะได้เกิดขึ้นภายในจิตใจต่างหากแล้วทำไมจึงกลับไปเป็นอย่างนั้นขึ้นมายิ่งเกิดความสลดสังเวชนะอยู่ไปนานๆข้นานหมู่กับเพื่อน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 ออนใจที่จะแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนต่อไปนอกจากหนีไปอยู่คนเดียวเียเท่านั้นสอนก็ไม่เป็นประโยชน์แล้วจะฝืนสอนไปทำใหม่มันไม่เป็นประโยชน์ทั้งจะฝืนทำอยู่ทำใหม่ถ้าเป็นเหตุผลแล้วก็ไม่ควรฝืนน่ะทำอะไรเป็นประโยชน์ค่อยททำไม่เป็นประโยชน์ทำไปทำใหมให่การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนก็สอนมามากต่อมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนไม่มีอะไรจะพูดแล้วนั่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 หัวใจเป็นฟืนเป็นไฟไม่ดูเพิงเหรอนี่สอนเพื่อหัวใจตัางหากนะไม่ได้สอนเพื่อจะสั่งสมเหล่านั้นเอานั้นมาอวดโลกนะโลกเขามีดีกว่านั้นก็มีมากแต่ไม่ไม่มีอะไรดียิ่งกว่าธรรมจึงเรื่องสอนลงในอดในธรรมพระเสด็จก็มีแต่ชื่อไม่มีอะไรประเสด็จยิ่งกว่าธรรมจึงสอนตรงนี้เห็นอะไรเป็นของดีของนี้เวลานี้ มันแทรกมันแซงขึ้นทุกแง่ทุกมุมเราเลยอกจะแตกก็ยิ่งก็ธาตุขันจำรูดลงไปไม่ค่อยได้นะนําอบดมสั่งสอนหมู่เพื่อนอยู่าตามสภาพของธาตุของขันมันก็ยิ่งเทวีรุนแรงขึ้นในเรื่องฟืนเรื่องไฟเรื่องเสเนียร์จันไรทั้งหลายทางสมขึ้นทุกแห่งทุกหนทุกมุมวัดทุกรายเข้าไปแล้วเวลานี้แปลยังไง ช้อนมาเหล่านั้นไม่มีอะไรเป็นประโยชน์เลยยิ่งกว่ากิเลสตัวที่ฝังใจยอยู่เวลานี้ให้แสดงนี้เต็มที่เต็มฐานนั่นอย่างนั้นเหรอฉันเหมือนจะว่าอัดอั้นตันใจเหมือนกับอยู่ด้วยถูกบังคับกดขี่แล้วอยากแสดงรวดลายปวดทำทั้งหลายด้วยอวดครูบาอาจารย์ทั้งหลายบ้างทำไม่ทำไม่เต็มไม่เต็มเหม่ยก็บ้าง นี่เข้าใจว่าไม่บ้างนี่มันเต็มภูมิความเร็วเอาที่ถ้าเป็นไปตามที่ความมุ่งหมายที่มามันจะตายเพราะความภาพเพียนบังคับกิเลสตัวมันอยากดีดอยากดิ้นก็เอาให้มันเห็นสิสี่มันจะชักตรงตั้งเป็นก็ให้เห็นมันจะเป็นยังไงนะักปฏิบัติ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 เต็มสนามทําต้องหมอบต้องหลบต้องซ่อนหา ก, กมีอยู่บ้างก็หลบก็ซ่อนส่วนมากทํากระเจิงไม่มีเหลือหนีแต่กิริตรเต็มสนามแล้วเล่นเต็มเพลงเต็มนวดเต็มหลายเรายัางเพลินอยู่หรือเรายัางสบายอยู่หรือยังยิงในตัวอยู่เหรอมันเป็นถึงขนาดนั้นเวลยนะนี้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 ให้สิ่งเหล่านี้ได้เหยียบย่าทําลายจิตใจให้ลําบากลาบุญผ่าฉละตามหลักธรรมของพะพุทธเจ้าแล้วเลี้ยนสัจธรรมก็เลี้ยนอยู่ที่นี่รู้กันอยู่ที่นี่แล้วกระทบกันเถื่อนกระเทือนกันที่ไหนเมื่อต่างอันต่างจรงิงต่างอันต่า ง, งรู้กันแล้วส่วนมากพิจตรณาเป็นป่ายโง่ให้สิ่งเหล่านั้นเหยียบย่าทําลายทับโสมจมตีจนแหลกไม่ตายก็ต้องดิ้นรนกระวนกระวายอย่างนั้นพราจิตไม่เคยตาย แล้วไม่มีอะไรดิบดีเลยมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาล้วลายอยู่ทั้งวันทั้งคืนดูเดินนั่งนอนเลยเป็นวัดสั่งสมกิเลสไปทั้หมดท้าเนนทั้งหมดก็กลายเป็นครั้งกิเลสไปหมดไม่มีครั้งอย่างธรรมแล้วทำางไงยังสนุกยังเพลินอยู่เหลือเวลานี้ ผู้ที่ดีก็เลยเป็นความหนักใจความลำคาญอยู่ไม่สะดวกสบายผู้ไม่เป็นท่าเขายิ่งสนุกแสดงรวดลายทำลายหมู่เพื่อนนอกจากทำลายตัวแล้วกีดให้ใหวังกันอยู่ตลอดทุกแข่งทุกผนไปยังไงเป็นมงคลแล้วเหรอนี่อกจะแตกแล้วนะกับมงคลเหล่านั้นนะ ปกติแม้ไม่เด็กแนะนําสั่งสอนหมู่เพื่อนความเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนก็เต็มหัวใจไม่เคยลดน้อยลงบ้างเลยตามองไปไหนก็มองเพื่อหมู่เพื่อนฟังอะไรก็ฟังเพื่อหมู่เพื่อนความบกพร่องสมบูรณ์ตรงไหนต่อตรงไหนฟังอย่างนั้นดูอย่างนั้นดูหมู่หมู่เพื่อนไม่ได้ดูเพื่อคาํายกโทษยกกรแบบโลกโลกเขา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 คนมากคิดเพื่อหมู่เพื่อนทั้งนั้นหนักหรือไม่หนักแล้วยังจะมาว่าดูดาว่ากล่าวอยู่เหรอแนะนำส่งสอนของมันมดทุกสิ่งทุกอย่างวิธีการและวิปฏิบัติขอแสดงให้ฟังโดยลำดับลำดา ม, มีปิั่งนีรับความทุกข์ความยากความละ บ, บากตั้งหลายไม่มีอะไรเกินกิเลสหนาเนี่ยบอกแล้วกิเลสนี้ฉลาดแหลมคมมากจึงได้ครองใจลพ น, นี้เก็บอกแล้ววิชาทำถ้าไม่เข้มแข็งไม่อักันจริงๆแล้วจะไม่ทันกิเลสบอกหมดเพราะอันนี้มันคล่องตัวข้องมันแล้วถ้าเป็น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 สติปัญญามีเท่าไหรได้ทุ่มกันลงเต็มสติกําลังความสามารถไม่งั้นไม่ทันกลมายาของหมัดยิ่งขั้นเริ่มแรกออกประวัติปฏิบัติ ด, ด้วยแล้วลม้มลุกคลุกคลานจนกระทั่งทอ้อเกิดความทอ้อถอยน้อยใจตัวเองซึ่งก็เป็นเรื่องของที่เด็อีกเหมือนกันเพราะจิตเอาให้อยู่มันไม่อยู่มันดีดมันดิ้นอยู่ต่อหน้าต่อตาเห็นมันมันไปต่อหน้าต่อตาชุดลากเราไปด้วยต่อหน้าต่อตา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 ยิงต้องในตัดทอนดังนี้ลงเรามันเป็นคนหยาบด้ใช้ความฝุดทรมานตนจนสุดความสามารถทุกแง่ทุกมุมตามกาลังของตนนั่นแหละถ้าจะไม่หิวไม่ได้กินข้าวธาตุมันต้องการมันต้องหิวต้องโหยต้องอยากแต่ถ้ากินเข้าไปมากๆแล้วกิเลสเมกีกองพลมันก็ ยิ่งส่งเสริมกันขึ้นอย่างรวดเร็วนั่งสมาธิภาวนาทั้งๆ ท, ที่รู้อยู่ใจมันคึกมันขนองมันก็ฉุดหน้าเราไปต่อหน้าต่อตาเอามันกลับมาไม่ได้นั่นเวลาอดนอนหรือผ่อนอาหารลงไปให้มีกำลังน้อยเครื่องมือของของกิเลสมันกนัว่านาคานับว่าลดกำลังลงไปลดกำลังลงไปเห็นได้ชัดชาติก็คอยตามกันทันพอ ล้างกันไม่ได้สงบชั่วระยะเวลานี่ก็เห็นผลเมื่อเป็นเช่นเมื่อได้เห็นผลเชะ น, นั้นถึงจะยากลําบากขนาดไหนก็ต้องในตะเกียกตะกายาทั้งทั้งที่อยากทั้งทั้ที่หิวหีวโหอโห ย, ห ย, หยจนตัวสัน่นเอาก็เอาอือันนี้เราเคยกินมาแล้วหิวก็เคยหิวมาแล้วทํานั่นเรายังไม่เคยได้แล้วผู้ประเสริฐปุ๊ เลิดโลกเสียด้วยเป็นผู้ประกาศว่าทำนี้ประเสริฐแล้วจะพยายามเอาทําให้ได้เนี่ยก็ต้องสะเกียบตะกายหิ้วหวยขนาดไหนทุกลําบากเพราะความหิวความโหยวความอ่อนเพลียขนาดไหนก็ต้องได้ทําำเพราะมันลําบากในขั้นเดิมแล้จนกระทั่งได้รับความสงอบร่มเย็นเพราะอุบายวิธีการต่างๆซึ่งทําไม่ลดละท้อถอยผลก็ปรากฏขึ้นมา น, นี่ก็ได้เล่าให้ฟังหมดแล้ว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 นี่แหลาการฝึกทรมานจิตมันยากอย่างนั้นประสาทก็เร็วทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกมันรวดเร็วจิตใจซึ่งเป็นตัวกิเลสแสดงอยู่ภ า, ายในก็รวดเร็วเพราะอันนั้นแหละพาให้ตาหูมันรวดเร็วเพราะกิเลสตัวนั้นอ่ะตัวมันคึกมันขนองมันรวดเร็วอยู่ภ า, ายในตัวของมันเอง สัมผัสสัมผัสสัมผัสอะไรมันก็แสดงความพึกความขนองอยู่ภายในตัวเหมือนกับว่ามันโดดมันเต้นอยู่บนเวทีบนหัวใจเรานั่นมันไม่ได้ออกถูกบังคับไว้มันก็กระทึบเวทีนั่นกระทึบโรงนั้นจนจะบรรลัยคือกระทึบหัวใจแเราถึงขนาดนั้น่ะเวลามันคึกมันขนองมันเป็นด้วยกันนั่นแหละแต่ก็ไม่พ้น ูุบายวิธีการต่างๆที่ฝึกทรมานจนกระทั่งมันสงบได้และสงบได้อย่างราบคาบเพราะการฝึกการทรมานทุกข์ก็ยอมถ้าขันยิงตอนยังหนุ่มยังน้อยด้วยแล้วมันมีกําลังมากอะไรขานอะลงไปคอยตั้งแต่จะมีกําลังคอยที่จะเสริมกิเลสนี่ทยั่งต้องได้ฝึกได้ทรมนานเจ้าของหิ้โห้ยขนาดไหนก็ต้องได้อดได้ทนเพื่อรถของธรรม ยิ่งกว่ารสของลิ้นของปากของท้องของอาหารการกินไปไหนๆเต้องได้ฝืนได้ทำนี่ด้วยเหตุ น, นั้นปฏิปทาของเราเจึงมักเป็นความลาบากเรื่อยมาเมื่อการอดทั้งที่อยากอยากหิวหิวอยู่นั่นแหละก็ต้องได้ทำทนเอาเพราะเห็นผลภ า, ายในจิตใจวนท้องเสียเสียเราก็ไม่ได้เสียดายท้องยิ่งกว่าทำ เขาก็เสียไปสิเขาไม่ได้ฝึกทรมานอย่างเราเขาก็มีท้องเสียเหมือนกันวิเศษวิโสอะไรกับท้องดีท้องเสียนั้นทําต่างหากเป็นของวิเศษนี่ก็ไม่เสียได้ที่เคยทําลงไปแล้วน่าเสียดายไม่อยากจะทําอีกหรือน่าขา ย, ากยักขยังไม่ได้เป็นท่านี้เป็นความลําบากทางนั้นจนกระทั่งเหตุมันสงบได้แล้วก็ขนาบใหญ่เลยเกี่ยว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 นิเรศมันหมอบที่เฉยเรื่องของความสงบเรื่องสมาธินิเรศเหมาะเท่านั้นไม่ได้ไม่ได้ตายไม่ได้ที่หายไปนั่นเป็นเรื่องของปัญญาปรัรญาที่ใครมันเห็นในสกุลนักกายท่านสอนไว้ในเวลาบวชเริ่มต้นบวชใครก็ต้องได้เรียนหลับทำกรรมฐานห้ามีเกสาลุมาหนาขานตาตาจูเป็นต้นในอาการสามยสองซึ่งเต็มในร่างกายของเรา นี่เป็นของเล็กน้อยแล้วหรือนี่แหละเครื่องมือปราบกิเลสตัรั ก, ส ว, รกสวยรักงามตัวยึดมั่นถือมั่นตัวราคะตันถาออกจากเกศาลมาราคาัานถาตัวนี้ว่าสวยว่างามปั้นขึ้นมา ม, มันสวยงามที่ตรงไหนผมเพียงมันหลุดตกลงไปภาชนะมันก็เป็นสิ่งที่ขยะขยงไปแล้วทั้งทั้งที่อยู่บนศรีรษะนี่ประคับประคองกันแทบเป็นแทบตาย ว่าสวยว่างามพอตกลงไปคุกเข่ากับอาหารแล้วไปยังไงจิตใจเรามันเป็นกลมายาขนาดไหนเรื่องกิเลสนั่นะมนอยู่บนหัวนี่ว่าสวยว่างามน่ารักใครชอบใจยิ่งกว่าเทวดาเราถึงต้องเอากรรมาฐานนี้เข้าไปที่คลายดูเกสาลงมานะขาตาันตาตะโจนดูไมาเห็นตามความจริองอย่าดูไปตามความปรอมของกิเลสมันสวยที่ไหนมันไม่มีมันปรอ ม, มันหลอกเาตั้งหา มีแต่ความจริงอะ่ะปฏิคูลโสโคกเต็มไปหมดยิ่งเข้าไปข้างในหมดสกรนการนี้มันก็คือปา่าช้าผีดิบนั่นเองปา่าช้าผีดิบมันสวยไหมปา่าช้าผีตายมันสวยไหมอันนี้ก็เหมือนการดูก็ไปนี่เรียกว่าปัญญาบางครับมันมาดูเนี่ก็บางครับมันทํางานสติปัญญาคิดอย่างอื่นคิดมาพอแล้วไม่ได้คิดทํางานอย่างนี้ที่นี่จะให้คิดทํางานทางด้านธรรมะเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐาน ที่ตั้งแห่างงานชิ้นเอกแล้วนี่พิจาณให้เห็นชัดแจ้งตามเป็นจริงดูจะมันดูพลิกข้างนอกข้างในดูเห็นชัดเจนแต่และอย่างละอย่างจเจ้าอย่างไหนก็ตามแล้วแต่ความถนัดมันหักกระจายไปหมดทั่วสารพร า, า, พางร่างกายเพราะมันเป็นเหมือนกันอย่างเดียวกันน mm. ิเรศมันก็เม า, เาว่าสวยงามอย่างเดียวกันหมดมันจะเหม็นคุ้งตลกมเมฆมันก็บอกว่าสวยวังงาม แล้วก็เชื่อมันเพราะเราโง่ทํามาปัญญาทําเข้าไปสอดแทรกเข้าไปแล้วจะไม่เห็นความงูของตัวเองและจะไม่เห็นกลมายาของทิเลกก็จะให้มันหลอกเพืยไปอย่างนั้นแหละยิงต้องเอากรรมาฐานห้านี่ยอาวุธที่ทันสมัยเอามาพิจารณาแยกแยะเข้าไปท่านบอกยังตะโจถึงหนังมันก็ครอบหมดแล้วในสกุณอากาศของคนของสัตพิจารณาเข้าไปข้างในเท่าไหร่ก็ยิ่งเต็มไปสิ่งที่น่า อิจนาแล่วเอาหน้าใสิเสะเอียนหน้าขยะขยะนั่นตายเพียงยี่สี่ชั่วโมงมันดูกันได้แล้วเหรอพี่นาใช่เอาสี่แปดชั่วโมงเขาไปอีกเที่ยวเข้าไปใชเป็นยังไงสามชั่วโมงหรือร้อยชั่วโมงก็ไปเป็นยังไงดูได้ไหมนั่นอย่างนั้นมันก็ระเบิดออกมานเป็นยังไงแตกบ้านแตกเมืองน น, นั่นเหลือของสวยของงาม จนถึงขนาดแตกบ้านแตกเบืองยังไม่รู้ว่ามันปฏิทูปมันน่าขยัะขยงขนาดไหนย่างมามาลับหูรับตาว่ามันสวยมงามได้อยู่เหรือเอ้าที่ปัญญาอ่าอย่างลงไปซิพระพุทธเจ้าสอนอย่างเป็นความจริงล้วนๆร้อยเปอร์เซ็นต์พิเศมันปลอมร้อยเปอร์เซ็ตมันหลอกร้อยปอร์เซ็นมันเสกสรรตัญญร้อยเปอร์เ็อันนี้เป็นความจริงร้อยเปอร์เซ็ตอาเข้าไปแก้กันซิมันเห็นชัดเจนเมื่อเห็นชัดเจนแล้วมันจะเกิดร มาตั้งกับกี่กับกี่กันก็ตามมันจะถอนพวดออกหมดเลยความยมั่นถือมั่นในสิ่งนี้ก็ดินถ้าจะแยกเป็นดินเป็นธาตุเป็นธาตุก็ดีก็ดินเยียบอยู่นี้ก็ดินมันสวยที่ตรงไหนน้ามันสวยงามที่ตรงไหนลมมันสวยงามที่ตรงไหนไฟมันสวยงามที่ตรงไหนถึงเลยไปแบบไปหามไปรักไปชอบมันอนักหนาดินน้ำลมไฟอยู่ที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟ ตื่นหาอะไรนิเรศหลอกว่าเป็นชัตเป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายว่าสวยบังงามก็ดินน้ําลมไฟที่เองหลอกไปไหนก็ดินน้ําลมไฟตื่นไปไหนนั่นเอาทําอย่างอาไปเลยจนเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันเกิดความสลดสังเวชน้ําตาลล่วงโอ้โหสลดสังเวชทนายจิตยิ่งเบาเบาวิวหวิวหวิหวเพราะมันถอนอุปทานออกมาเรื่อยๆความยึนมันม่นถึอมั่นเข้าใจชัดตัวตรงไหนก็ถอนตัวออกมาถอนตัวออกมาจกนกระทั่งรู้ ชัดตามเป็นจริงเต็มส่วนแล้วถอนเต็มที่ไม่ว่าเวทนาทางกายเวทนาทางจิตมันก็ลุกลามเข้าไปละสติปัญญาถ้าลงได้ถึงขั้นนี้แล้วจะไม่ถอยความเพียรไม่ต้องบอกมาเองเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความขี้เกียจคือตัวกิเลสแท้เมื่อถึงขั้นที่มันขยันมันเพียรในด้านอัตธรรมเพื่อแก้เพื่อต่อถอนเพื่อปราบปรามกิเลสมีมากขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งเห็นโทษ ความขี้เกียจขี้ค้านว่าเป็นตัวกิเลสล้วนๆนั่นมันเห็นกันอย่างนั้นเลยพิจนากฟังสิความสุขความทุกข์เฉยๆมันเกิดขึ้นได้ทั้งทางกายและทางใจเกิดมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้จะพิจรณาเห็นตามความจริงมันจะทำไมจะพิจารณาไม่ได้ทําเป็นของจริงมีอยู่พิจารณาเพื่อความจริงให้รู้ได้เห็นได้อยู่นี่ ถ, ถ้าไม่ถ้าจะนำมาพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะพ้นความจริงไปได้อย่างไร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 แล้วปรุงขึ้นมาจากจิตมันก็เป็นภาพของจิตยังหมายเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้เข้ามาสู่จิตภาพปรุงขึ้นมาหลอกตัวเองอยู่งั้นมันตื่น เ, นเงาพิจารณาให้เห็นชัดดิเมื่อมันเห็นชัดว่ามันเป็นเงาของจิตเกิดขึ้นมาจากจิตรากฏขึ้นเป็นภาพกับภาพออกมาจากจิตรู้ชัดตามจิตมันก็ดับลงไปที่จิตมันก็มีเท่านั้นเห็น ญ, ญาณความรับภาพแยบแยบแยบแย บ, ย บ, ย บ, ยบก็ดังที่พูดเคยพูดมาแล้วกี่ครั้งกี่หนกี่ร้อยกี่พันครั้งแล้วนี่ความจริงมันเป็นอย่างนั้น อย่าฟืนความจริงพิจารณาให้เห็นตามความจริงจะรู้ความจริงเห็นความจริงจะปล่อยสิ่งจำปอมทั้งหลายโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละการแก้กิเลสแก้ด้วยปัญญาสมาธิเป็นตัวเปี่ยมวัตรร่มกิเลสเข้ามาให้สู่ความสงบถ้ากิเลสไม่เพ่งท่านกิ่ก็สงบกิเลสเพ่งท่านหาความสงบไม่ได้ถึงต้องอาศัยสมาธิจากนั้นก็ขี้คาทางด้านปัญญาจงตั้งเห็นชัดเจนแจ่มแจ้ ง, จงรอบไปหมดรูปก็รอบ เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็รอบเอาเวทนาทางจิตซึ่งเป็นของละเอียดมันก็จะรอบเข้ามันมันไม่หนีไปไหนล่ะเชื่ออยู่ตรงไหนไฟตับระธรรมมันจะเผาเข้าไปเผาเข้าไปเมื่อมันรู้รอบขอบจิตในอาการตั้งห้าแมันก็รู้ว่าอาการนั่นที่นี่นี่ไม่ใช่ตัวจริงมันอาการต่างหากเรามาตื่นเงามาตื่นอาการเราหลงเน่ยมันก็รู้หรอปัญญามีมันต้องรู้อย่างทราบไปแล้วมันก็ปล่อย มันก็นหลือตั้งแต่จิตกับอวิชชาที่ฟัวพังนี้มันไม่พ้นอีกนี่ก็ดีฟาดกันลงในตรงนั้นตัวพบตัวชาติให้เกิดแจ็เจ็บตายมันอยู่ฝังอยู่ที่จิตท่านให้ชื่อที่เลตประเภทนี้ว่าอาวิชชาปัจจยาสังกัจดาอวิชชานั่นแหละมันเป็นปัจจัยเป็นเครื่องหนุนให้เกิดในภพน้อยภพใหญ่เกิดโดยอยู่ไม่หยุดไม่ถอยวิบากรรมพาให้ดีให้ชั่วให้สุขให้ทุกขนี่มันออกจากอันนี้ ที่นาฟาดพันลงไปตรงนั้นจกนกระทั่งอวิชาที่ว่าเป็นเชื้ออันฝังลึกอยู่ภายใน จ, ใจิตใจก็แตกกระจายไปจากใจแล้วไหนที่นี่มันปลอมที่ไหนจิตนี่กิเลสพาพร้อมต่างหากนี่นะจิตทุกที่ไหนที่นี่ก็กิเลสพาทําให้ทุกต่างหากนี่นั่นะจิตที่มีธรรมเป็นธรรมทั้งดวงจิตเป็นธรรมธรรมันจิตแล้วมีทุกที่ไหน มียากลําบากที่ตรงไหนอี้เลศตัางหากพาให้ยากขีเลศต่างหากพาให้เขียดขี่ครานขีเลศตัาหากพายตําหนิติเตียนตนว่าอําบุญน้อยวาสนาน้อยอแต่เวลาจะนอนตมทั้งวันทั้งคืนกิเลศมันมันไม่ได้บอกวนันนั้นวาสนาน้อยหรือมากเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลศเป็นผลละได้ของกิเลศมันไม่บอกแต่ภาคัณฑ์ทราบั้เลยนี่นะคนมายามกิเลศมันหลอกขนาดนั้น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 มันติดมันขัดที่ตรงไหนมันติดขัดกับกิเลสต่างหากกิเลสเป็นผู้กีดผู้ขวางต่างหากเมื่อกิเลสได้สิ้นไปจากใจแล้วอะไรมาขวางกิจถ้าเป็นสัตว์ก็ลงแบบไหว้หว่างตางตัวบนในน้ำมหาสมุทรทะเลเนี่ยตายสุดเบี่ยงนั่นแหละนี่กิจก็รู้สุดเบี่ยมอืงคิดได้สุดเบี่ยงพูดได้เต็มปากไม่มีอะไรมากีดมาขวางมากัน้นมากางกิจใจ ม, มันเบิงมันว่างไปหมด กิเลสบรรลัยไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นเืองว่างไปหมดไม่มีอะไรขวางกิเลสเท่านั้นเป็นตัวกีดตัวขวางเป็นตัวเสนียดจนไหลถึงฟัดลงแล้มันแหลกใชนักปฏิบัติกลัวเป็นกลัวตายอะไรเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดการกลัวเป็นกลัวตายการอยากรู้เห็นความจริงนั่นเป็นธรรมเอาให้สิให้มันเห็นความจริงไป <c oughs> มันจะพ้นไปไหนศาติางองค์เอกสอนลงเป็นสวดคาธรรมแท้ๆปอมไปที่ไหนกิเลสมันตอมบรรจงขาอยู่ในหัวใจทํำไมไม่รู้ว่ามันตอม พอจะหยิบทำขึ้นมาเพื่อปฏิบัติสูๆๆๆๆๆๆ้คู่ช้ยามให้กิเลสมันปัดมือหลุดไปหมดเครื่องมือสัตว์ราวุตอะไรที่จะต่อสู้กิเลสหลุดมือไปหมดเหลือแต่ตัวให้กิเลสเ ห, เหยียบย่ำทำลายอยู่มันเป็นประโยชน์อะไรเราเป็นนักปฏิบัติควรที่จะได้คลองมรรคผลนิพพานด้วยการปฏิบัตินี้แท้แท้ทำไมจะให้กิเลสมันยีบหัวอยู่ยยตลอดเวลามันสมควรแล้วหรือ น, นักปฏิบัติคิดเบ้างที่คิดจะของใช่ ไปกไปเหนื่อยเปลี่ยนตวนี้นีัครูอาจารคือเขาเริ่งขายตั้งแา่ขันำมั่งเลยเรเคลื่อนขั้นร้อยไปถึงไม่มีดึ่งเลยถ้าเนถึงที่เป็นไปมได้แล้วข้นกระแม่กระเป็นถึงที่เป็นโคเป็นตำนเป็นวัตถุกเป็นยาเสติดเสพติดแรเป็นภาย่อ การคือปฏิบัติธรรมเยอะมากปุ่นผ่านเยอะข้ า, ากันมั่งจะเป็นองค์งหนึ่งเดียวที่จะแทรกทันทีคือวิ่งกว่าฝ่ายอื่นเขาอึดเป็นตะเกียงอีกค่ให้มันเกิดประมาณอะไรมันก็มันก็เป็นภัยร้ายเละแนม้แต่การอาหารก็่เลองกินเ ก, กิก ด, กร ด, ดประมาณคือท่าวจึงสองมัดจังยุติาก็คือมัดจังโคเคนมัดกังยุติการก็เพ่มมาเรื่อยหป่ ก็นก <ah mm> ja ู้้กย uh ืมซื้อก็เป็นขั้นจะเป็นกระายหอยลางามมันก็เป็นด้มันกังอาหารเราป็นอาหาเี่จริงจจะให้ตายมันก็ายไดอะไรเท่าเงยประมาณมันนี่ของดีทั้งเท่าเประมาณอย่างนี้มากคู่มันเป็นภ้าศึกต่อคามเป็นมักขามคองหนุเราก็ไม่เห็น ทำอย่างการปฏิบัติธรรมขั้งหนาดูมันก็ปฏิบัติได้อย่นะให้ตื่นก็มีอยู่นี่ปัญญาก็มีอยู่หนี่หมากชิดไหญนมาทำลายสติปัญญาได้หมากชิดไหนมันมาทําลายความเปเลี่นแปลได้หมาดนี่รู้จะกั้งกางไม่เห็นมรรคผลผ่านมันปิดกันได้จริงเหรอแล้วก็มองไม่เห็นเนี่ย พวกยุบพวกแยบพวกอวดดีอวดอว ด, วดีในเรื่องว่าการฉันหนาคมันเป็นไผ่นี่คือตัวไผ่ตัวนี้กัวเ น, ก น, กนเป็นไผ่ที่ร้ายแรงมากมันอยู่าเป็นศุกก็จะอวดโรคของธรรมราฉันธรรมดาตามหลักปฐมีที่เคยเป็นมาธรรมดาธรรมราของชาตุของฐานของปฐณีไม่ทําสิ่งทําอะไรให้ส่วนให้เสียมันจะเป็นอะไร มหาเก่าอะไรึ้นมันไม่ขันอย่นี้พ่วงตรงมันขันขันทำไมไม่เก่าก็มีพวกผู้ใหญ่พวกกากลวงมพทํานใหถ้าเทีบไปรัที่รัที่นั่นอ่ยว่างันนึ่เราว่างมันนะเราพึ่งงานเต็มหัวใจขอมอ่านกันให้สืนตรงไหนบกพร่องกนก็เลยนม่ แต่วิเศษวิสุก็มันน Th ี่มันก็ไม่เห็นนี้ทําเคยพินก็ทำไปงั้นแต่ยังไงนีเพราะ่ามันติดนู้นก็ไม่เห็นติดพอจะไปทำลายม้าขนุนผานขาดจาบ้านยันไปถ้าสมมติพูดถึงม้าขนุนผานแล้วชั้นหมาสุนุลิศทาลายไปหมดเช่นช้นพระรหารสุบุลิศชั้นหมาเนี้พระรหารแหลกสมหมดนั่นกเออนีย ยิอย่างท่านอันารมั น, มนเนี่ยองทรงมัรผลนิพพานร้อยกว่าสิท่านไม่ใช่ได้มับผลนิพพานท่านเหรือท่านทึงจะ้ชันมากุบุหรี่มรสุ บ, บุหรี่นี่ในสงครามยิ่งกว่ามรรคผลนิพพานที่บรรไลัยไปแล้วนั่นหรือพรามากบุหรี่นี่ทำได้มันก็ไม่เห็นมีเนี่ย อเคไม่ใส่เงินสามตาเหมือนกันพวกนี้จะพวกทำลายพระอิศาคือเหตุการณ์ทรงบัญญัตไว้แล้วทุ่ัรอย่างม่นักงมาแก้ใหม่ได้ถ้าไม่ใช่เทวทัศน์จะเป็นไคก็เทวทัานผู้ขออื่นขอพรห้าประการก็มาทำไมไปยกเทวทัศน์ขึ้นมาเหยียบหมวกพระอาศะได้ยังไงไม่นะไห่่เงินสามานีก็พระเทวทัไม่ใช่เหลือไปขอ สักวิญญาพองขาบอกว่าเห้ามไม่ได้โลกมันเป็นอ ย, อย่างนั้นอยู่ทำไมก็เหมือนจะกันนะ้น่ะเอาฝ่ามือไปกันนะ้ำมาหาสมุทร น, นี่ตรงนี่เราแข่งก็ถำไม่ไ้แขันก็ได้แต่แตสําคัญคืออุริสสามัคคะเมื่อจัดทมสามประการและเมื่อสิบอย่างนั้น น, นันก็บอกไว้แล้วเมื่อมา้าเมื่อหมาเมื่องูเมื่อเสือกล้อง <c oughs> เสือเหลือง <c oughs> เสือดาวเมื่อหมี เนื้อมันุษย์ท่านก็บอกไว้แล้วคือห้ามขันขันนั้นเป็นระบาดนั้นขันนั้นเป็นระบาดนั้นขันเนื้อมนุษย์เป็นระบาดุ้งไตเนี่ยก็บอกไวหมดทังนั้นก็ห้ามเนื้อเป็นอุจจาระบางสัต์ที่เขาจะตรงก็บอกไว้แล้วแม้แต่ฉนั้นองค์ไนไม่ไม่รู้เหมือนก็ขันได้ก็บอกอยู่หญิงก็เห็นชัดๆก็นอ่แล้ว ม้ำตาลื like ่มาทำไมเทวทัตตายไปแล้วน้ำดบกแทนเทวทัตเหลืออวดอะไรสมบัติของเทวทัตมาอวดทํมามาอวดพระพุทธเจ้าทํามาเนี่ยใครจะไปรู้ดีรู้ชอบเหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าถ้าราว่าเทวทัตรู้ดีรู้อบย่พุทธเจ้าก็กลาบเทวทัตว่าพุทธทางสรณะกระฉมิัยก็เทวทัตสรณะกรมิันก็ทานั้นเองใครชอบอะไรก็เอานั่นไปหาคัดค้านต้านทาน โลกที่ชาพูดที่เขาถูอตามพระเจ้าทำไมมันเคยเห็นนั้นพวกนี้พออบอันนี้ก็งอาเราหมาดโจมตีใหญ่นะหรือว่าพูดอะไรแม้แตท่านอาจารอุ่นท่นมันเป็นแล้วพาดีเขาท่านอจารคงมาที่เป็นเพื่อนียวกันท่านจากมาท่านโกงประโกงมาเอาวิิจบาท่าท่านอาจารย์อุ่นจะไปนะวันนี้น่ะเอาเลยนะถ้าไปแล้วแตกหมดกรุงเทพนี้ห่ะเขาเอาหมกห่อโบะต์พวกอาหารนั้นโดนทิ้งต่อหน้าเขานะ ท่านเอาขนาดนั้นนะท่านจัทอท่านจัน์งมาเลยให้บุนมให้บิญสบาทถ้าไปแล้วเกิดเห็นะท่านจัทรไม่จะไปมนว่างนั่นเลยม่ให้ไปบินสบายนะท่านมาพระแล้งพระกาพระยักษ์พระขี้หมดไปที่ไหนจำนี้เป็เรื่องพระสอนมาคนผ่านแล้วคนไม่ยอมสอนเอาตรงนี้ตมกีไปทั่วโลกยินดีนะท่านจันรอุ๋มแล้ทั้งดีหนึ่งท่านจากท่านจันทร์ว่านไว้ช้านานเขาไปเป็นความเห็นผิดอย่างฝังจมอย่างนี้ เว่กากลับไปหาท่านอาจารย์น้องมั่นเราอยู่น้องผืนท่านก็ใส่เอาเสื้อน้าหนาว ก, ก็ดีนะท่านรู้ตัวแจ้ทันทีเลยนะนี่น่าชมท่านท่านอาจารย์มั่นท่านส่เาไงอุ่นหนะ่ะวางนี่นะท่านรู้เรืฉลาดท่านมาฉันเนื้อฉันปลาผมเป็นพระยักษ์พระผีฉันเนื้อฉันปลาผมไม่รู้ไม่ฉลาดถ้าท่านเอาธรรมที่มาฉันเนื้อฉันปลามาสอนผมบ้างนะผมจะได้ปฏิบัติตามท่านอืมผมนี่มันโง่ ท่านฉลาดเหนือกวพระพุทธเจ้าวางนี่เลยนะพระพุทธเจ้าท่านไม่ทรงห้ามการฉันเนื้อฉันตาเว้นแต่อย่างนั้นนั่นทางที่ว่างแต่ท่านนี่ไม่ฉันประดุจประการทั้งปวงท่านคงเก่งกว่ากวพระพุทธเจ้าเอาธรรมที่เก่งกว่าพระพุทธเจ้ามาสอนผมหน่อยสินัท่านใส่ลงไปปึ๋มปมเลยนะโอ้ยเวลาท่านพูดนึกขึงขงังผมนี่มันโง่เวลา ง, งั้นนะถ้าไม่ว่าท่านฉลาดเลย ท่านอาจาร์อุ่มก็นิ่งเลยพอถึกท่านไแล้วหยุดงดเลยให้มาฉันชันที่แล้วก็อาเกียนแล้วฉันไข่เฉยก็อาเกียนท่านก็เอาจนได้นะท่านยอมรับเลยปฏิบัติตามท่านอาจาร์มั่นตั้งสว่านนั่นบไปท่านอยู่ท่าอุเทนก็เสียแหละแต่ท่านปฏิบัติตัวท่านอย่างท่านท่านอาจาร์มั่นว่าไม่ค้านท่านอันาร์มั่นแม้คําเดียวเลยนิ่งเลย ถ้าอจารยว่านกขาพูดยังเต็มที่เหมือนกันนะเขาะย่างนั้นนะ น, นี่ก็แบบเดียวกันนะพวกนี้ไปไหนก็เถือนโลกนะเพราะทําลายนี่ไม่ได้ส่งเสริมโลกมิจะทำลายนะเยื่อหยิงจังหองพองขนถือตัววิเศษวิโสใครนะโอเคเพราะนางเขาเป็นนะอันนี้ไม่สร้างปีงไหนนะถ้่าที่ผมเคยได้เกี่ยวข้องมาเป็นเป็นทุกหลา่าง เป็นมากเป็นน้อยต่างกันก็ับโอเป็นมากนานเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นมากผมแต่ผมมายกตัวอย่างเป็นไม่มากเลยผมนี่ชื่ของพระของครูบาอาจารย์ที่มาฉันเนื้อฉันตานปเป็นไปอย่างนี้ทั้ง น, นั้นแหละแต่ก็ไปลงที่ท่านฉันมั่นนะท่านตอนนี้ไปลงที่ท่านฉันมั่นทั้นท่านที่เคยเป็นลูกศิษย์ท่านมาออกไปก็เป็นอย่างนั้นแหละแจะกลับไปก็ไปไปแก้เจ้าของกับท่านฉันมั่นได้เหมือนกันท่าน ท่านดุจฉันเนื้อฉันป่าท่านม่ฉันเนื้อฉันป่ า, ท, า, า, นนปาท่านอีูท่านก็กลับฉันตามเดิมมีหลายองค์นะของนี่พวกก่อควรพวกทํำลายาศาสนาธรรมมีอยู่เห็นกันอยู่นี่อวดตัวเก่งกเลยอวดไปไหนอวดไปเถอะถ้าลงนอกจากหลักธรรมหลักวินัยผู้ชายชแล้ว มันมีแต่ความอวดเป็นตัวกิเลสตัวเก่งๆตัวมันกัดเก่งๆนังนะไปไหนกัดด่าไปเลยยิ่งกว่าหมามันไม่รู้จึงกมะทั้งเจ้าของมันเก่งกว่าหมาอีกหมามัรู้จของนะนอกจากมันเป็นบ้าเท้านั้นเอหมามนรู้จของมันกัดกแต่คนอื่นอันนี้กัดถึงพระพุทธเจ้าที่เป็นเจ้าของเลยดูสิว่าง่ายกนชิดจะอยู่หรือจะไป พลิกกว่เพื่อนนะต้องคิดหนิไม่ใเวลาเป็นเหมือนผีตัวหนึงนะ่งมันใช่เล่นธรรมดานะ น, นี่เห็นพระอวดเก่งอย่งตรงนี้คือต้องทํามะนี่แหละเท่านี้แหละมองไม่ทันเลยเรานะขึ้นช่องนั้นขึ้นช่องนี้ขึ้นช่องนี้นขึ้นตรงนี้พลิกจรกงจริงๆ แล้วผ้าเราไปเผาไฟติ้งนะมากลารถ้าใครจะอยู่ในวัดนี้ต่อไปจะมาศึกษานั่นนะเอาไปเผาไฟติ้งให้หมดผ้าไปกั้นไวนะ้นั่น่อย่ามาอวดนะอันนี้ม่ได้วิเศษยิ่งกว่าธรรมเล่าสงวนธรรมแล้รักษาธรรมรักษาหัวใจพระสงฆ์ทำไมจึงไม่ต้องมาพุ่เฟ้อหรือไม่เห็นอย่างนี้ถามจะทำไม่ได้หรือมันไปยังไงมันถึงเจ๋งลนะ่ะพลาหล่านี้อันนี้หรือเป็นของวิเศษ วัตถุนี้หรือมาอวดกันทําไมสันตุถีตามมีตามเกิดไม่มีไปมีภายในวัดนี้วัตถุสิ่งที่ควรจะไปไปดูมันไม่มีหรือพลาดในวัดนี้น่ะถ้ามันไม่มีจริงผ ม, มว่าใครมาถวายจากไหนต่อไหนผมก็ไม่ว่านะถึงอย่างน้อย ก, ก็ต้องมาศึกษาเะ ก, ก่อนเขาต้องมาถวายก็ดีนี่ผมไม่รู้เลยไปเห็นเราเลยจริงย่ังถึงได้รู้ว่ามันพิสดารขึ้นอย่างนี้พิสดารแทรกหยุดทุกแห่งทุกหน มันแทงขึ้นมาแทงขึ้นมานะเยียบก็ามาเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ยิย่งมากนะในวัดเนี่ยจนจะดูไม่ได้แนละ้ววัดนี่มันจะแตกและเพียงผมสุดลงเพียงครวนี้มันก็เห็นแล้วเรื่องราวทั้งหลายของพระพี่ปวดดีปวดดีมันแทงหน้าแทงหลังขึ้นมานี่มีมากแล้วเดี๋ยวนี้มันเจ็งมากแล้วถ้ายิ่งผมออกลงไปกว่านี้แล้วก็แหลกหมดเลยนั่นอันจะมีแต่ยักแต่ผีนีเต็มวัดเต็มว่ามีแต่คนรู้คนสลาดนักปราัก จอมแหลมคมแหลมนี่เต็มขึ้นในวัดนี่ขายมันมันอยู่แล้วไปซะนะอย่าให้หนักใจนะรับไว้เป็นประโยชน์รับไว้ทาไมผมอยู่คนเดียวผมอยู่ได้นี่เกิดมาเกิดมาคนเดียวนั่นาตายจะตายคนเดียวนี่ไม่ได้หวังพึ่งใครพึ่งอะไรทั้งนั้นเลยในะสามแดนโลกฐานนี่เราไม่หวังพึ่งเราพูดตรงตรงอนี้ ดูแต่วความจริงตามธรรมาชาติทางความกินต่อความกินนั่นแหละคำพูดคำจานเรา ล, ลงเป็นงานอะไรนี้มันก็หยาบไปมไปั่วสเป็นแบบโลกล่ากับโลกไปอีกหนึ่นงไองคัวลงเคี่ยนน้ำร้อนเนี่เหมือนกันมันเป็นลงสมกันนี่นี่เคยพูดกี่ครั้งกี่คนแล้วนี่แต่ก่อนก็ไม่มีน้ำร้อนน้ำชาอะไรไม่สนใจแต่ก่อน เห็นว่าเกิดว่ามีมาพุ่งกันเยอะเอารวมไปรวมไปที่มันเลยแหลกไปเลยมันไม่ใช่เอารวมอนุแหลกไปแล้วเดี๋ยวนี้ชันวันหนึ่งกี่ครั้งอยู่ผมก็ไม่ทราบแล้วเรื่องอดหารมีอะไรมายุ่งหมู่เพื่อนถ้ากลัวตายยาอดนะใครกลัวตายยาอดอดให้รับความลาบา ก, กระบวนกระทบกระเทือนยามาอดไม่ใช่เป็นธรรม เคยอดมาแล้วไม่กระเทือนอะไรไม่ยุ่งกับอะไรแต่ก่อนยิ่งไม่มีอไอ้เรื่องน้ำอ้อยน้ำอ้อยน้าตาลนะจะหาถ่ายภาพมันก็ไม่ได้หรือว่าไงนี่ก็อดมาก็ไม่เห็นตายหรือวะมันจะตายก็กินใน้มันเถอะเนี่ยอ่เอาเลิกเอหาว่เหนื่อยเลย